ต่อปไปครับเปิดมี้สิกวสุวิธีหน้าหร้อยหาสิบร้อยห้าสิบเอ็ดร้ยห้าสิบเ็ดขึ้นข้อเจ็ดครับเจ็ดพิสุจน์ผู้ประสง์จะให้ฆ่าพิหาอย่างที่มีเ จ, จ, จ, จ้าของเข้าข้างจอจงเพื่ อ, ตอนตนนะเพื่อนี้มอนพิสุจน์ข้างในมาเพื่อแสดง แสดงพื้นที่ที่ไม่มีการเบี่ยเบียนสัตวะมีบริเวณรอบๆเหลือยู่มากที่สุดให้สร้างฐานใหญ่บนพ er ื <h <h <oh <h <h ้นที่ที่มีการเบี่ยงเียนสัตว์นะไม่มีบริเวณรอบๆ ความนิงข้อนี้เนี่ยแค่ๆข้อก่อนจะตั้งตอนนิดเดียวตัวที่ว่ามีเจ้ากผ้านะครับถห้บอกว่าเพราะว่ามีเจ้ากผ้านี่แหละก็เลยสามารถที่จะสร้างอย่างโตๆนะครับอันนี้เกินประมาณเลยไม่มีการกำหนดประมาณนะครับแล้วป็นเจ้ากผ้าจะเอาใหญ่ที่ไหนก็ได้เกินก็ได้เพราะในข้อนี้อาบัตก็จะเบาลงไปนะครับอาบัตจะต้องลงไปจากทองหรือว่าสร้างอยู่ประมาณนั้นไม่ต้องอาบัต เป็นสายกระทงนะครับไม่สองแสดงที ừ. Ừ. ่ให้มีการเหี่ยนเปียสั์ม่มีชาลอมกยงต้องอาบแบบเดิมครับพอรัชทรมีใบสิทธิ์ทางบุ่คลใหญ่ที่ใบน้อยมากนะพ่อก็เหมือนกับสิทธิางบุครก่อนนะครับนี่หมดเลยแค่ว่าลดการแผ่ไปตูวนี้นี่เรามาดูต้นบัญญยติต้นใหญ่ที่มาจากใครนี่ไทยไม่ใช่ภาษานีสุ่ไทยนะ ครั น, นี้ไม่ค่อยมีนัก่าคนร้าเท่นาไรแต่เรื่องนนนันเรื่องของพระสันนัตโดยสมัยนะั้นท่าพระพุทธเจ้าประทําอยู่นะวัดโคสิตารามเขตพระคนครกรสัมทีครั้งนั้นข้าบารีุประกาศ ข, ของท่านพระสันนัได้กล่าวกับข้าว่ า, าข้าท่านจเจริญขอว่าคุณเจ้าโปรดตรวจรูสถานที่สร้างวิหารกับผมจะให้สร้างวิหารสำหรับคุณเจ้า จึงท่านพระสันนะให้แพาาว่ฐานฐานที่สร้างวิหาราให้ค้นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ต้นเนี่ยใจก็ไม่ได้ไปให้สงสัยที่แหนใดนะครับไปทำเป็นเลยครับให้โยกให้เรียนอะไรนั่นเป็นกติกกกยางแค่ฐานฐานนำไปค้นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ก็คือต้นไม้ที่หนาชนนะเขาสักการะวิชาพระนภตั้งมหาโพนะี่ครับอันนี้นตออรตอยัยนครับนะเนี่ยแบบสมัยนั้นนะครับตรงนี้ ซึ่งชาวบ้านชาวมิคมชาวนครชาวเชื้อโบดชาวรักพานกันรูชาเนี่ยแสดงว่าตรนม้เนื่องมาหนาวการูชากันเยอะมากนะครับคนต้องหลายทางกันแข่งเท่าดิเตรีโบธนาว่าชนะให้พระานเทศเชื้อสายพระสกิยะบุตรจึงให้ค่อต้นไม้นันเป็นเพณีซึ่งชาวบ้าชานิคมอุรังนะครับเพาว่าแข่งเท่เตรีโบธนานะครับก็กล่าวว่า น่เชื่อสารเพะสเรุเดียเบียนอินซีที่หน like uh, ึ <S <s ่งซ Or ึ่งมีชีวะนี่ชาวบ้านเข้าใจผินี้นะเข้าจผิดว่าต้นมยีชีวิตต้นม้ยีชีวิตเรื่องนี้ก็ไปถึงนิหลายนะครับนิจม้หลายก็แคลงขิตถึงบนาว่าฉันไนเื่อนพระสันนัตจึงให้ข้นเปมัอันเป็นเจดีซึ่งชาว่้านชิคงชะอนจอดชา้นบาวรักผ่านมีชาล่อ แล้วก็กลับมูเลเจออ้าสงฆ์ชาแทนต้นไมามีชีวิตั้มต้นไมามีชีวิตั้ม ย้ายนได้เกิดโทได้มันก็ายอาศัเดียวความมความร้องสาาหารที่อยู่นนั้ครับแข็งแรงอะไรนี้นะมันก็เด็กซึซึ่งก็กไปแล้วก็ทำกระบวนการของมันสำเร็จอมาแ ต, ไตนะ่ไม่มีชีวิตตไม่มีชีวิตทั้งชีวิตที่เป็นรูปนะครับเป็นีมั น, น, นมีนั้ น, นครับภาวะการําดต้นม้ึงมันบาดภาวะตนน้นมีชีวิตไนะ กเป็นไปตามศีลบาตรด้วยครับถ้าแม่เป็นไปจรง้ร่วมก็จงเยียสยาบาตรนี้ขึ้นมอันนี้เรืองค่อข้างีอนะครับวิธีการให้สงสมมติที่ให้ก็เหมือนเดิมนะต้องเข้าไปขอสงครับมาให้สงมาดูวนี้คนที่สร้างิีลให้นะขอสงตัวแทนก็ได้ขอได้ที่ว่ามันเหมาะสมแล้วครับได้เหมาะสมแล้ว ก็ได้สงส่วนนะครับดุริยางร์แสดงสารสาวิหารก็เหมือนเมื่อกี้นะเป็นขั้นตอนแล้วก็ทำได้เลยต้องไม่มีอันตรายต้าไม่มีผู้จองไว้เหมือนเดิมนะที่เป็นอเดิมเห็นได้ว่าต่างไปแค่ข้อของคัญประมาณน่าจเกนี้ครับนี่มาดูเรื่องการขานั่นต่อสองเลยข้อที่เจ็ครับเจ็ดอธิบายวิหารรักษาลักขณะบท คุณทาอธิบายสิดทาบทที่เจ็ดต่อไปความเป็นกุติคืติดใหญ่ชื่อว่ามิฐานใหญ่แม้ว่ากุติที่สร้างโดยพ่อตนเอาแม้กว่ากุติที่สร้างโดยพาอตนเพราะมีเจ้าภาพสร้างให้เพราะมีเจ้าภาพสร้างให้จยสามารถสร้างใหญ่ได้อีกอย่างหนึ่งเพราะวิสุให้สงสัยที่ให้แล้วจะสร้างหรไอให้เกิประมาณ ก, ก็ได้ พ่อเป็นปกุฏิมีเจ้าภาพให้เทเลยเรียกว่ามหาลักษวิหารใช่ไหมวิหารใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเชื่อววิหารใหญ่พ่อมีขนาดใหญ่ที่สุดจะสร้างวิหารใหญ่นะั้นด้วยว่าวิหารนั้นมีขนาดใหญ่มีเจ้าภาพเท่านั้นจึงสร้างได้รครับฉะนั้นเพื่อจะแสดงเนื้วความนั้นท่านจึงกล่าวไในบทพาชีแห่งบทนั้นอย่างนี้ว่าชื่อว่าวิหารใหญ่ แม่แก่ไม่หาที่มีเจ้าข้าตลอ็สมัยคำที่เหลือทั้งหมดเป็นเพียงความที่การมาแล้วในบทสิกาศึกษขาบที่นอยู่สองสิขาบทนี้ต่างกันเพียงมีเจ้าข้าร้าให้กับไม่มีเท่ากันไม่ได้เลยหน่ายนกจริงๆสิขาบมิมีพระผาเจ้าทรงปางลบพชนะเสด็จบรรจัดมาแล้วเพเหตุคือการให้ปัต้นไม้ที่เป็นเจดีอบังเกิดขึ้นแก่ข้าพิสุ การไม่ทาครับคณตศาสตร์บทข้อไม่ทานะก็คือไม่ได้ ส, ส่งแสดงที่ให้นะครับ้นคิตาบทนี้มีการร้องอ่สสานบนิังเกตตัวเดียวเท่านนะั้นนี้คือความแตการขอิตศาส์าบทนี้กับติีกาลคณิตาบ์จบการอภิาบาลวิหารรักการคิตศาบทนี้ามีครับกิจกรรมในวันนี้รู้ม่รู้เม่อไหประมาณไม่สองคะแนนที่ให้นะครับโดยทันะ้นั้น กูติดได้ดีมือนกัครับออการสร้างกูติดมาไ ว, นะว้นะเพราะนั้นใครถามว่ารถ้าในวันนันอยู่รูปเดียบอย่างนี้นะหรือไม่ครบองศ์ทำไมครับแล้วจะทำยังไง <c oughs> จะไม่สองแสดงที่อะไรได้ด้วอันนี้เราก็เอา จะไม่ ส, งส่งแสดงที่ให้ตัวนี้เป็นพระฤาษีนะครับและก็ไม่ได้มีอนามบัตรว่าให้รูปเดียวไม่ต้องใครแสดงเทียนก็ได้ไม่มีนามาบัตรคุณอาจาไม่มีครับผมก็เลยเข้าใจเอาตามที่พี่น้าอย่างนี้เลยครับว่าอย่างนี้ก็คือให้สงแสดงที่ให้ครับข้าวมันก็สมจงจาที่อื่นมาถ้าสีไม้มีก็สมมุรณขึ้ น, น <c oughs> ถ้าไม่มีก็ทมยังไงทำว่าอื่ก็แล้วแต่ครับ พอราทำก็ไม่ได้ห้าวแต่ว่ามีอ น, นี้ก็ต้องต้อยบอกแนวคื้ที่ให้พอตามบทบาทเปอย่างนี้ไม่ได้ต้องออออมไีเงิ น, นี่เด เป็นปาเนาแล้วรอบๆหมู่บ้านใช่ไมตั้ง่ถ้าเราไม่ได้ไปในยุโรปบ้านเนี่ยเราไปอยู่นขอยู่ในปาไม่นแต่ก็วังนว่างตามที่เพื่นบ้านีนวาไปรัอไยู่นบ้านไรคเงหมดเลยเนยอะาุรปม ผมไม่มา